เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเป็นเท่าทานไปในที่สุด <c oughs> ซึ่งก็เราจะเห็นได้จากคนทุกคนที่เกิดมาและก็ตายไปถึงที่สุดจริงๆก็เหลือแต่คิดเท่าเอาไปลอยในทะเลเท่านั้นเองเนี่ยไม่มีอะไรมากไปกว่าเท่าทานที่ต้องผูกพังไปในที่สุดแต่ว่าระหว่างที่เรายังมีสิ่งทั้งหลายเหล่านี้อยู่ ประกอบกันเป็นชีวิตขึ้นมาเป็นรูปร่างขึ้นมา <c oughs> เราต้องมีภาระอยู่หลายอย่างเกี่ยวกับเรื่องการบริหารโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือการบริหารร่างกายการบริหารชีวิตเนี่ยเรามีภาระหลายอย่างภ <c oughs> าระที่เราจำต้องบริหารอยู่เสมอก็คือเรื่องกินเรื่องการชำระความสะอาดเป็นภาระต้องทำประจำวัน คนมีบ้านใหญ่ก็เหนื่อยหน่อยในด้านของการกวาดบ้านล้างบ้านถูบ้านเพื่อเกิดความสะอาด <c oughs> บ้านเล็กก็มีภาระน้อยหน่อยมนุษย์นี้ก็เหมือนกันคนไหนตัวโตหน่อยก็มีภาระอาบน้าเปลืองหน่อยถูบสบู่เปลืองหน่อยคนไหนผอมก็อาบน้ำน้อยใช้สบู่น้อยอะไรอะไรก็ไม่เปลืองมากเหมือนคนตัวโต คนโตๆก็มีภาระมากขึ้นเนี่เป็นภาระที่เราต้องบริหารเป็นประจำวันไหนเราไม่อาบน้ำเข้า <c oughs> ความปฏิกูลก็จะไปรบควนคนอื่นทำให้คนอื่นเกิดความํำคาญเหม็นสาบอะไรเหล่านี้จาต้องบริหารล้างทุกวันซึ่งแสดงให้เห็นว่าชีวิตของเรานี้ไม่ใช่เป็นความสะอาดเลยและถ้าหากว่า จะพูดกันตามความจริงแล้วโลกมนุษย์ที่เราเกิดมานี้ไม่ใช่เป็นโลกที่สะอาดเลยท่านทั้งหลายลองศึกษาดูว่ามีพื้นที่ใดของโลกบ้างที่มนุษย์เกิดขึ้นแล้วเป็นของสะอาดไม่ใช่ของสะอาด <c oughs> โลกที่ไม่มีมนุษย์ท่นั้นที่เป็นโลกที่สะอาดเป็นโลกที่บริสุทธิ์เช่นอย่างดวงจันทร์เนี่ย ดวงจันทร์นั้นบริสุทธิ์เพราะว่าดวงจันทร์ไม่มีมนุษย์เกิดบนดวงจันทร์จึงไม่มีสิ่งโสโค ร, ร่งรุนแรงแต่ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปแล้วมนุษย์ก็ไปทําสโครกไว้หลายอย่างเหมือนกันอยู่บนดวงจันทร์นั้นมีอะไรต่ออะไรไปทําให้ดวงจันทร์เนี่ยสโครกขึ้นส่วนในโลกมนุษย์เราเนี่ยไม่สะอาดยิ่งมนุษย์อยู่ที่ไหนมากที่นั่นยิ่งไม่สะอาด ขอนี้ให้ท่านสังเกตดูได้ตามวัดวัดไหนถ้าหากว่าคนไปมากวัดนั้นไม่สะอาดหรอกถ้าวัดไหนคนไม่ค่อยเข้าวัดนั้นสะอาดเนี่ยเป็นปัญหาอยู่ว่าสมภารจะให้วัดสะอาดดีหรือจะให้วัดศพปรกดีถ้าสมภารจะให้วัดสะอาดสมภารก็มีหน้าที่นอนเป้าวัดกวาดลานวัดเท่านั้น เพราะไม่มีผู้คนเขาจะเข้าวัดแต่ถ้าสมพานต้องการให้วัดุก ป, ปรกก็ต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนเขาเข้าวัดและโดยปกติแล้วท่านทั้งหลายจะไปวัดไหนก็าตามไอ้ที่จะไปชมวัดเฉยๆนะ่ะเราก็ไม่อยากจะไปเพราะอย่างมากก็ไปดูแต่วัดถุกดูเศษอิดเศษปูนดูโบสถ์ดูวิหารนอกจากเราจะไปศึกษาในเรื่องของโบราณคดีเท่านั้น หรือในเรื่องสถาปัตยกรรมหรือจิตกรรมเท่านั้นแต่ถ้าเรามุ่งไปหาธรรมะแล้ววัดนั้นจะต้องมีธรรมะให้เราเราจึงจะไปวัดเดอย่างที่ท่านทั้งหลายมาวัดมหาธาตุนี้ก็เพราะวัดมหาธาตุเนี่ยมีธรรมะให้ <c oughs> และท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าวัดมหาธาตุนี่ศกปรกมากรุงรังมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าญาตโยมมามากนั่นเอง นี่เป็นของธรรมดาในโลกมนุษย์ซึ่งเราจะต้องศึกษากันให้เข้าใจเพราะขอโทษมีหลายท่านมาบน่นบอกว่าแหมวัดมหาธาตุทำไมมันรุงรังอย่างนี้สกปรกเหลือเกิน ต, ตามาเคยพูดบอกว่าวัดไหนถ้าคนไปมากแล้วก็มันต้องสกปรกทุกวัดนะ่ะเพราะว่าวัดนะั้ไม่สกปรกหรอกแต่ว่าคนทาให้วัดสกปรกเพราะตัวคน คือตัวสบปรกคนเนี่ยสบปรกนั้นคนอยู่ที่ไหนมากที่นั่นก็สบปรกเว้นไว้แต่ว่าเราจะต้องคอยทำความสะอาดกันอยู่เสมอเป็นประจำแล้วก็ที่นั่นจึงจะสะอาดและถ้าเราจะพิจารณากันถึงวัดด้วยข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยวัดมีเนื้อที่กว้างมากการที่จะทำความสะอาดทุกซอกทุกมุมนั้นทำไม่ได้ไม่ทั่วถึงหรอก อย่าว่าแต่วัดเลยแม้แต่เกิดกายทุกคนึ่งมันก็ยาวเพียงวาเดียวกว้างสอกหนึ่ง <c oughs> หนาคืบหนึ่งเราก็ยังทำความสะอาดไม่ทั่วถึงและนับประสาอะไรจะไปทำความสะอาดวัดโตๆใหญ่ๆไม่ทั่วถึงหรอกมันต้องมีมุมใดมุมหนึ่งที่รุงรงังแต่ศปรกเนี่ย <Yeah. S 1> เพราะฉะนั้น ความเข้าใจในเรื่องราวเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นอยู่ที่ไหนก็ทำความสรกปรุงรังให้เกิดขึ้นในสถานที่นั้นโดยทั่วไปโลคมนุษย์จึงไม่ใช่เป็นโลกที่สะอาด <c oughs> ฉะนั้นในพระพุทธศาสนาเนี่ยมีเรื่องที่เราถาม่าอยู่เสมอว่า ทำไมคราวาสเนี่ยเ <c oughs> มื่อบรรุถึงซึ่งความเป็นพระอริยบุคคลแล้วอย่างเช่นความเป็นโสดาบันเนี่ยเป็นของธรรมดาลเลอกเกินสมัยพุทธกาลคารวาสผู้ครองเรือนก็เป็นโสดาบันมากมายเพราะโสดาบันยังครองบ้านครองเรือนอยู่ยังมีบุตรมีพัญญาอยู่ก็มีอยู่มากเพรา ะ, พระโสดาบันนั้นยังตัดกิเลสบางตัวไม่ได้ แต่ถ้าหากว่าคาวาสสาเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่บวชเสียก่อน <c oughs> อายุจะอยู่เพียงเจ็ดวันเท่านั้นแล้วก็ต้องนิพพานดับขันธนิพพานทําไมจึงเป็นอย่างนั้นท่านบอกว่าภาวะแห่งคารวาสนี้ <c oughs> ไม่สามารถที่จะทรงซึ่งอริยคุณคืออรหันตคุณเนี่ยไว้ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องนิพพาน ผู้ที่เป็นครืหัสถ้าสาเร็จเป็นอรหันต์แล้ว <c oughs> ต้องออกบวชถ้าออกบวชก็จะอยู่ไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขแต่ถ้าไม่บวชก็จะตายภายในจิตวันเนี่ยเพราะอะไร้าบอกเพราะว่าเพศของครืหัสนี้ไม่สามารถจะดำรงอริยคุณเหล่าเนี้ไว้ได้อรหันต์คุณไว้ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องนิพพานสมัยก่อนเนี่ยจึงออกบวช พอสำเร็จอรหันแล้วก็ออกบวตก็มีชีวิตอยู่ประกอบสาสนรกิจหรือทาหน้าที่สงเคราะห์ต่อชาวโลกต่อไปได้เนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่เราถูกเถียงกันอยู่ก็เนื่อง้วยเหตุนี้ฉะนั้นผู้ที่บริสุทธิ์เช่นอย่างพระอรหันธ์ทำไมพระอรหัน์เนี่ยท่านจึงมองภพภูมิต่างๆว่าเป็นของที่น่าขยะแขยงเหลือเกินท่านเห็นว่าภพภูมิคือความเกิดเป็นของน่ากลัว เป็นของปฏิกูลอย่างที่สุดพอพูดถึงชาติคือความเกิดแล้วพระอาหารหันต์ท่านเห็น <c oughs> ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้เป็นของปฏิกูลาการปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่ความไม่เกิดอีกนั้นไม่ว่าจะเกิดในภพภูมิไหนๆก็ตามก็ไม่เกิดอีกหรอกแม้แต่ในเทวภูมิพรหมภูมิซึ่งเป็นภูมิที่สูงเป็นภูมิที่บริสุทธิ์และสะอาดพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านยัง มองว่าภูมิเหล่านี้เป็นภูมิที่สกปรกไม่ควรแก่การเกิดอีก <c oughs> ฉะนั้นพระพุทธองค์จึงได้ตรัสสอนเราให้ปฏิบัติธรรมเพื่อไปสู่ความไม่เกิดอีกอันเนี้ยเป็นความจริงเพราะถ้าหากว่าเราไม่เกิดอีกเสียได้เป็นสุขอย่างยิ่งเพราะความเกิดนั้นนอกจากจะเป็นทุกเกี่ยวกับเรื่องชาติชราโมรณะแล้ว เรายังเป็นทุกข์เพราะความเศร้าโศกเสียใจต่างๆเรายังเป็นทุกข์เพราะพวกปาประชนต่างๆที่มีอยู่ในโลกมนุษย์เนี่ยมากมายซึ่งท่านทั้งหลายย่อมทราบดีว่าโลกมนุษย์เนี่ยเป็นอย่างไรเกลือกลั้วด้วยอะไรไว้บ้างเราจะเห็นความทุกข์ต่างๆในวัฏะสงสารเนี่ยมากมายเหลือเกินนอกไปจากทุกข์ประจำชีวิตของเราแล้วก็มีทุกข์อื่นๆเบ็ดเตล็ดเนี่ยเข้ามาครอบงำชีวิตอยู่ ฉะนั้นาการปฏิบัติทำอันใดไปสู่ความไม่เกิดอีกไม่ว่าจะพบภูมิไหนไห น, นี้ท่านจึงตรัสว่าเป็นบรมสุขเป็นความสุขที่ถาวร <c oughs> ไม่ใช่ความสุขประเภทที่เราได้รับกันในโลกมนุษย์แต่เป็นความสุขที่ถาวรที่สุดแล้วก็เป็นความสุขที่ไม่กลับกลายเป็นทุกข์ต่อไปเหมือนกับความความสุขทางโลกิยะ เราได้รับกันอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมในกายคตาสติ <c oughs> ต้องพิจารณาอย่างนี้มันใกล้ครวนอยู่เสมอถึงความเป็นปฏิกูลให้คล่องปากคล่องใจอันนี้เป็นเป็นเรื่องความเข้าใจที่ทัางทั้งหลายต้องทําความเข้าใจไว้สําหรับในวิธีการปฏิบัตินั้นให้บริกรรมให้บริกรรมในหมวด ปัจจับปัญจกะกรรมฐานนี่ให้คล่องสิก่อนเมื่อเราบริกรรมได้คล่องแล้วเราก็มาบริกรรมในวัฏกาปัญจกะกรรมฐานนี้ <c oughs> <c oughs> ให้คล่องขึ้นอีกหมวดหนึ่ง <c oughs> เป็นอนุโรมปฏิโรม <c oughs> เช่นเมื่อเราได้ท่องเกษาโรมานาขาทัานตาตะโจคล่องแล้วเราก็กลับไปท่องใหม่ท่องหมวดที่สองเนี่ย <c oughs> โดยขึ้นมังสังนหารูโดยขึ้นมังสังนหารูอัถิอัถิมินชังวักกังพอจกวักกังแล้วก็ท่องเป็นปฏิโรมอีกโดยท่องเป็นวักกังอัถิมินชังอัถินหารูมังสังเน่เป็นปฏิโรมย้อนขึ้น แล้วก็ท่องอนุโรมไปจนจบแล้วก็ย้อนขึ้นไปอีกจนครองแล้วเราก็ทวนไปถึงเกษาโลมานาขาธันาตาตะโจโด้วยรวมกันเป็นสิบข้อ <c oughs> ถ้าเราบริกรรมสิบข้อนียให้ครองผลที่ได้เบื้องต้นนั่นก็คือสมาธิจิตเหมือนกับเรานั่งนับเช่นนั่งนับลมหายใจซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติในอนาณาบาลนสติเบื้องต้น ลมหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองเข้านับสามออกนับสี่เข้านับห้าอะไรอย่างเงี้ยพอท่องไปถึงสิบแล้วก็ย้อนมานับหนึ่งใหม่การนับอยู่เสมอเสมอกระแสจิตก็อยู่กับการนับกระแสจิตก็อยู่กับลมเมื่ออยู่กับลมเช่นนี้สมาธิจิตก็เกิดขึ้นจิตก็ไม่ฟุ้งซ่านซัดสายไในอารมณ์ต่างๆชั้นใดก็ดีการกำหนดอาการสามสิบสองนี้ก็เหมือนกัน ถ้าเราเอาจิตจดจ่ออยู่กับอวัยวะต่างๆในตัวเราอย่างนี้แล้วก็พิจารณาท่องให้คล่องปากคร่องใจอย่างนี้สมาธิจิตก็เกิดเมื่อสมาธิจิตเกิดแล้วต่อไปเราก็เห็นลักษณะของส่วนต่างๆที่ประกอบกันขึ้นเป็นชีวิตของเรานี้เมื่อเห็นลักษณะเหล่านี้แล้วความหลงไหลต่างๆก็จะไม่เกิดขึ้น <c oughs> ความยินดียินได้ก็จะไม่ครอบงำถ้าเราสามารถป้องกันความยินดียินได้ได้อคุศลต่างๆก็ไม่เกิดขึ้นในจิตเน่ยอสัยวิธีปฏิบัติอย่างนี้ <c oughs> ถ้าหากว่าเราทำคล่องแล้ว <c oughs> ต่อไปก็ขึ้นกรรมฐานหมวดหมวดที่สามสำหรับในหมวดที่สามเนี่ยเรียกว่า ปัปพาสะปัญจกะปัปพาสะปัญจกะกรรมฐานซึ่งแปลว่ากรรมฐานที่มีปัปพาสังปัปพาสังนี่แปลว่าปอดเป็นที่ห้าปัปพาสะปัญจกะคือกรรมฐานที่มีปอดเป็นที่ห้าวิธีปฏิบัตินั่นก็คือ <c oughs> ให้บริกรรม อ, ออวัยวะ ที่ต่อไปจากม้ามต่อจากม้ามก็มีหัวใจหัวใจเนี่ยบาลีใช้คำว่าหะทะยังให้บริกรรมหะทะยังซึ่งแปลว่าหัวใจยะกันังยะกันังนี้แปลว่าตับกิโลมะกังกิโลมะกังนี้แปลว่าพังผืดปีหากังแปลว่าตายปีหะแปลว่าตาย ปรับผาสังแปลว่าปอดท่องนี่ให้คล่อง <c oughs> เมื่อท่องให้คล่องแล้วเราต้องเข้าใจว่ า, คำ ว, าวะะคำว่าหัวใจในที่นี้ได้แก่อะไรคำว่าหัวใจในที่นี้ท่านหมายถึงเนื้อหัวใจถ้าถามว่าเนื้อหัวใจอยู่ด้านไหนเราทุกคนทราบว่าอยู่ในสวงอกด้านซ้ายเนื้อหัวใจอยู่สวงอกด้านซ้าย มีสีเป็นสีแดงเหมือนกลีบดอกบัวแต่โดยสันฐานแล้วในวิสุทธิมรรคท่านอธิบายว่าเหมือน ก, นกันกับดอกบัวตูมที่ปลอกเปลือกแล้วห้อยหัวลงอมีสันฐานคล้ายๆกับดอกบัวตูมห้อยหัวลงอันนี้เราจะเห็นว่าพวกศิลปินพวกจิตรกรเขาจะวาดรูปหัวใจ <c oughs> คล้ายๆกันกันกบดอกบัวห้อยหัวลง เราเห็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีลูกศรไปเสียบที่ใจก็แสดงว่าใจดวงนี้ถูกกิเลสลอยรัดเขาแล้วก็มีลูกศรเสียบอยู่เราจะเห็นว่าพวกจิตตกรทั้งหลายนะเขียนอย่างนี้มีลูกศรเสียบหัวใจทะลุบางทีก็หัวใจสองดวงเสียบอยู่ในลูกศรดอกเดียวกันอย่างเงี้ยเป็นเป็นความหมายของของศิลปินที่เขียนขึ้น ลักษณะของหัวใจนี้ <c oughs> มีสันฐานดนังกล่าวท่านบอกว่าภายนอกในเกลี้ยงกล่าวแต่ภายในเนี่ยพุลเหมือนกับบวกภายในของบวกขมอในบวกเนี่ยข้างในมันเป็นรังมากมายในหัวใจของคนก็เป็นอย่างนั้นแล้วก็ท่ามกลางหัวใจเนี่ยมีแองอยู่แองห น, นึ่งแองเนี่ยมีขนาดเล็ก เท่ากับมเมล็ดบุญนาคเอามเมล็ดบุญนาคเนี่ยวางลงไว้ในแอง่งหัวใจอันนี้ได้พอดีในแอง่งหัวใจนี่มีโลหิตหล่อเลี้ยงอยู่เหมือนกับเป็นบึงหรือหนองอะไรอย่างเงี้ยอยู่ในหัวใจเป็นบึงเล็กๆอยู่แล้วก็มีโลหิตหล่อเลี้ยงไว้ <c oughs> สําหรับโลหิตที่มีอยู่ในในบ่อเลี้ยงหัวใจเนี่ยท่านบอกมีอยู่ประมาณฝ่ายมือ กึ่งฝ้ายมือเป็นที่อาศัยเกิดของมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุมโนธาตุและมโนวิญญาณธาตุนั้นอาศัยเกิดที่นี่และตามหลักของพระพุทธศาสนา น, นั้นทางประมัดเนี่ยคําว่าหัวใจนั้นเป็นกรรมะชะรูปเป็นรูปที่เกิดมาจากกรรมเป็นสมุดฐานเ <c oughs> อนอกจากจะเป็นรูปที่ เกิดมาจากกรรมเป็นสมุดฐานแล้วก็เป็นเอกะชรูปด้วยคือเกิดมาจากกรรมอย่างเดียวไม่ใช่อุตตุไม่ใช่จิตไม่ใช่อาหารเกิดขึ้นพร้อมกันกับปฏิสนธิบิน ญ, ญาณถ้าหัวใจคนเกิดตั้งแต่บัตรไหนก็เกิดตั้งแต่บัตรนั้นน่ะตั้งแต่ปฏิสนธิบิน ญ, ญาณเกิดขึ้นเนื้อหัวใจก็เกิดขึ้นแล้วเป็นกรรมชรูป กรรมชรูปเนี่ยคือละเอียดมากมองด้วยตาเปล่าเนี่ยไม่เห็นอยู่ต่อมาจึงเจริญเติบใหญ่ขึ้นเพราะว่ามนุษย์เกิดครั้งแรกก็ร่างกายยังไม่เป็นอย่างนี้เรามีแต่ชิ้นเนื้อเล็กๆ เ, เป็นละเอียดขนาดอนุปรมาณูในทางบาลีใช้่าเป็นขนาดกะ ล, ละละแล้วกรรมชรูปเนี่ยจึงแปลสภาพเติบโตขึ้นเป็นเปสิเป็นอมพุท ธ, ธะ จนกทั่งเป็นคณะเป็นปันจะสาขาแตกออกไปเป็นกิ่งเป็นสาขาเป็นคอเป็นมือเป็นเท้าแล้วก็มีอวัยวะตับไตส้ปุงเนี่ยเกิดขึ้นรวมรูปร่างเป็นมนุษย์อย่างนี้หัวใจมันก็จะเิญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนกทั่งเป็นสันฐานหัวใจที่ใหญ่โตแต่ตัวหัวใจที่เกิดขึ้นครั้งแรกจริงๆเนี่ยเป็นตัวกรมมชระบที่ละเอียดอ่อนที่สุด มองด้วยตาเปล่าเนี่ยมองไม่เห็นแต่เป็นเรื่องของหัวใจ <c oughs> โลหิตที่มีอยู่ในหัวใจนี้มีไม่เหมือนกันท่านบอกคนไหนที่เป็นคนราคะจริตโลหิตที่หล่อเลี้ยงอยู่ในหัวใจเนี่ยเป็นสีแดงถ้าคนไหนเป็นคนโทสะจริตเป็นคนมักโกรธโลหิตนี้จะมีสีดำอยู่ในเนื้อหัวใจในสีดา เราเรียกว่าคนใจดำก็ไม่ผิดหรอกเพราะว่าคนโกรธนะ่ะเราเรียกว่าคนใจดำคนมีความโกรธรุนแรงก็หนักมากไปด้วยพยาบาทและความโกรธนั้นก็สามารถที่จะทำลายอะไรได้เราจึงเรียกคนที่ใจคอโหดร้ายคนที่มักโกรธนี่ว่าเป็นคนใจดำไม่มีเมตตาต่อบุคคลอื่นเราเรียกอย่างนี้เรียกตามสีของโลหิต เพราะในหัวใจของเขาโลหิตเป็นสีดำจริงๆคนมีความโกรธนี่โลหิตสีดำ <c oughs> ส่วนคนที่เป็นโมหะจริตนั้นท่านบอกว่าสีของโลหิตนั้นเหมือนกับน้มลางเนื้อสีเหมือนกับน้าลางเนื้อแดงก็ไม่ใช่ดำก็ไม่ใช่สีช้าเลือดช้าหนองอะไรอย่างนั้นน่ะถ้าหากว่าเป็นคนมีวิตกจริตมากสีก็ เหมือนกับเยื่อถั่วพลูถ้าหากว่าเป็นคนศรัทธาจริตสีโลหิตนั้นเหมือนกับดอกกันนิกาสวยสีมันสีดอกไม้ดอกกันนิกาถ้าหากว่าเป็นคนปัญาป ญ, ญาจริตแล้วโลหิตนั้นใสไม่ขุนมัวโลหิตเนี่ยไม่ขุนพองใสบริสุทธิ์ถ้าบอกว่า นอกจากบริสุทธิ์แล้วยังมีแสงเรืองแสงพระโลหิตเนี่ยเรืองปรากฏประดุดนังแก้วมณีโชตมีแสงเรืองปรากฏแสดงว่าคนนี้เป็นคนปัญญาจริตมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดมากเนี่ยเป็นสันฐานลักษณะของหัวใจที่ทำหน้าที่สูบฉีดโลหิต <c oughs> แล้วก็เป็นอวัยวะที่สำคัญอันหนึ่งในชีวิตของมนุษย์ทุกคน ถ้าหัวใจอันนี้แตกสลายไปอวัยวะอื่นๆก็พลอยแตกสลายไปด้วย <c oughs> ถ้าหัวใจนี้วายก็เป็นอันว่าตายตายโดยหัวใจวายชีวิตนี้ก็สิ้นสุดลงทันทีเนี่ยอวัยวะหัวใจนี่สำคัญมาก <c oughs> ที่สองรองลงไปคือตับตับนี้ท่านบอกว่าสีแดงแต่ว่า มีสีเหลืองเป็นพื้นไม่แดงจัดเหมือนกับกลีบหลังของดอกบัวเหมือนกลีบหลังของดอกบัวสีสีแดงไม่จัดเท่าบอกว่าโดยสันฐานที่โคนเนี่ยเป็นอันเดียวกันแปลว่าที่ปลายเนี่ยแฉกออกไปเป็นสองง่ามอันเนี้ยเรียกว่าตับปับนี่เป็นเนื้อชั้นหนึ่ง เราจะกินหมูกินไก่อะไรก็ชอบกินตับตับเนื้อดีและพร้อมกันนั้นถ้าพูดถึงตับมนุษย์แล้วมะเร็งก็ชอบกินเหมือนกันมะเร็งถ้าใครถูกมะเร็งกินตับก็เป็นอันว่ามีหวังมีหวังตายหาทางรอดยากเป็นยอดเนื้อมีสนฐานเป็นแยกออกไปเป็นสองแฉกส่วน <c oughs> พังผืด พังผืดนี่ก็คือเนื้อที่ห่อหุ้มถ้าบอกว่าแยกเป็นสองอย่างพังผืดปิดแล้วก็พังผืดที่ไม่ปกปิดเป็นอวัยวะอยู่ภายในเราเนี่ยถ้าพังผืดทั้งสองอย่างเนี่ยมีสีขาวเช่นเดียวกับสีผ้าเปลือกไมกเก้เก่าๆโดยสัญญานก็คือพังผืดนี่ย ทำหน้าที่ปกปิดกับไม่ปกปิดสำหรับพังเพิดที่ปกปิดตรงคุมหัวใจแล้วก็มามไว้ปกปิดหัวใจและก็มามคือการส่วนสคาคัญเนี่ยเอาไว้แล้วก็พังเพิดที่ไม่ปกปิดตั้งรึงรัดอยู่ในเนื้อภายใต้สรีระทั่วไป ท่านบอกว่าอันนี้เรียกว่าพังผืดส่วนไตท่าบอกมีสันฐาหดุดดังลิ้นไตมีสันฐารดุดลิ้นตั้งอยู่เหนือกระเพาะอาหารสีเขียวเหมือนสีดอกอดอกย่านทรายสีเหมือนดอกย่านทรายทาบลักษณะของของไตเนี่ย มีสันฐานเหมือนกับลิ้นลูกโคดำต้นคั่วนี้ก็ประมาณเจ็ดนิ้วอวัยวะอันนี้เรียกว่าไตไตนี่ก็สำคัญมากเป็นอวัยวะที่สำคัญอันหนึ่งและต่อไปก็ปอด เ, อเกี่ยวกับปอดนี้ท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจแล้วว่าปอดนั้ น, นมีลักษณะอย่างไร เพราะว่าคนเป็นโรคปอดกันบ่อยแล้วก็ปอดนี้เราเห็นได้ชัดเจนกว่าอาวัยวะในด้านอื่นๆในวิสุทธิมัสสันบอกว่าปอดนี่มีสีแดงเหมือนกับผลมะเดื่อสุกที่ยังไม่งอมมีสันฐานเหมือนกับชิ้นขนมที่หนาแล้วก็เขาตัดไม่เสมอกัน <c oughs> เพราะว่าถูกไอแห่งไฟธาตุที่เกิดจากกรรมเนี่ยพุ่งขึ้นมาแถวนั้นภายในไม่มีอาหาร เพราะว่าภายในไม่มีอาหารก็จะถูกเผามากที่สุดปอดเนี่ยโดยทิศแล้วท่านบอกว่าเกิดขึ้นในทิศเบื้องบนโดยโอกาสท่านบอกว่าตั้งห้อยปิดอยู่ข้างบนของหัวใจและกระตับระหว่างนมทั้งสองภายในร่างกายของมนุษย์อันนี้รวมเรียกว่าปอดซึ่งเป็นมีบทบาทสำคัญเกี่ยวกับเรื่องระบบการหายใจ เวลาเราเป็นหวัดก็มีผลกระเทือนถึงปอดด้วยเดี๋ยวเมื่อเราได้เข้าใจถึงลักษณะเหล่านี้แล้วท่านบอกว่าเวลาบริกรรมเราจะบริกรรมหัวใจคือบริกรรมถึงหัตถยังก็ดีหรือจ ะ, อะบริกรรมถึงยักกนังคือตับกิโลมา ก, กัง คือพังเผดปีหักลางคือไตปรับผาสังคือปอดก็ต้องให้นึกถึงอวัยวะต่างๆเหล่ า, า, ลานี้ไว้ถ้าจะเห็นชัดแล้วเราหาภาพถ่ายซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่มากพิมพ์แพรหลายอยู่ว่าอวัยวะภายในของเราเนี่ยมีอะไรบ้างศึกษาให้เข้าใจเมื่อเพ่งให้เข้าใจและเวลาปฏิบัติในกายกตาสตินี้จะเห็นภาพเหล่านั้นได้ชัดเจนที่สุด หรือถ้าหากว่าเรามีโอกาสได้เห็นของจริงจากมนุษย์ด้วยก็ยิ่งจะดีแต่ยังว่าถ้าหากว่าจะไปเห็นภายในของมนุษย์ขนาดที่พาดูม่ใหม่โลหิตก็ฉาบทาปิดมิ ด, มดหมดมองเห็นไม่ชัดถ้าจะเห็นที่ตายแล้วก็เ น, น่า <c oughs> มีโยมหลายคนที่จะมาบรรยายถึงเรื่องเกี่ยวกับมรณานุสติ แล้วก็พูดถึงประโยชน์ของการอุทิศร่างกายให้เป็นประโยชน์ในทางการแพทย์เพื่อที่แพทย์จะได้ศึกษาจากร่างกายของเรานอกจากศึกษาแล้วโครงกระดูกที่เหลือเราก็อย่าไปเผาเอาไว้ให้ท่านผู้ที่จะปฏิบัติธรรมไปโปร่งกรรมฐานด้วยมิยมหลายคนไปทําพินัยกรรมมอบโครงกระดูกไว้ให้อตมาแยะเชย สิบกว่าโครงแล้วมั้ง่านเนี่ยอาตมาก็บอกว่าโครงกระดูกเนี่ยมากไปแล้วล่ะเดี๋ยวจะไม่มีที่เก็บหรือจะไปให้พระเนรท่านรงกรรมาฐานก็เลยแนะนําโยมว่า <c oughs> ถ้าจะถวายก็ขอให้สตาร์ฟไว้ <c oughs> อยากกระดูกไม่เอาแล้วอยากได้ซากศพที่สตาฟไว้ <c oughs> เพราะว่าจะได้มีซากศพที่สตาร ที่สมบูรณ์หน่อยสําหรับไว้ให้พระเนรท่านปรงกรรมฐานเพราะในสุภากรรมฐานเนี่ย <c oughs> เราจะต้องหาซากศพจริงๆมาสาธิตหลักปฏิบัติสําหรับปรงกรรมฐานกันจริงๆในสมัยก่อนนี่เราไปอาศัยป่าชา้าอาศัยโกดังเก็บศพไปปรงกรรมฐานแต่ปัจจุบันเนี่ยป่าชา้าทุกป่าช้าไม่น่ากลัวเหมือนอย่างในในสมัยก่อนทางโกดังเก็บศพในปัจจุบันนี้ก็ไม่เหมือนกับในสมัยก่อน เพราะฉะนั้นจึงหาที่พิจารณาเพ่งกรรมฐานเนี่ยไม่ได้นั้นถากว่ามีโยมจะสตาฟไม่ให้อตมาก็ยินดีรับจะใส่โรงแก้วเอาไว้แลือก็สําหรับให้พระท่านโปร่งกรรมฐานจะเป็นบุญเป็นกุศลมากทีเดียวเพราะว่าร่างกายของเรานี้ก็เป็นเครื่องอาศัยเฉพาะในปัจจุบันนี้เท่านั้นถ้าาพิจารณากันแล้วก็เหมือนกับ <c oughs> เรามีเรือเรามีรถเรามีบ้านเหมือนๆกันเมื่อมันเก่ามันพังแล้วเราก็ย้ายต่อไปใหม่อะไรเหล่านี้ซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันร่างกายที่มีวิญญาณครองมันก็เป็นของเราถ้าปราศจากวิญญาณครองเสร็จแล้วมันก็เป็นไปอีกสภาพหนึ่งและก็ท่เป็นของเราในปัจจุบันนี้ก็เกิดมาจากเพราะความยึดถือ <c oughs> เรายึดถือว่าเนี่ยตัวเราใครด่าก็ไม่ได้ใครว่าก็ไม่ได้แม้เจ็บใจแล้วเกินเป็นทุกข์ทัทงท้งๆที่ไอ้ที่เขาด่าเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของดีของศกปรกทั้งนั้นถ้าเราไปด่าใครก็เท่ากับไปด่ากองอุจจาระมันไม่มีอะไรดีเลยเนี่ยทีนี้ถ้าหากว่ามีใครมาด่าเราเราก็ถามว่าที่เธอด่าฉันเนี่ยเธอด่าตรงไหนถามซะก่อนบอกด่าคุณ น, นั่นแหละก็ถามมาด่าตรงไหนละ่ะ ด่าผมหรือขนหรือเล็บฟันหรือเนื้อหนังเอ็นกระดูกยึดด่าที่เยื่อในกระดูกอย่าที่ปับที่พังผืดด่าที่ม้ามหรือที่ที่ปอดอะไรเราก็ถามว่าดาตรงไหน <c oughs> ถ้าดาสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่รู้สึกอะไรเลยแล้วก็มันก็เป็นของที่ไม่สะอาดอยู่แล้วแต่ที่เรารู้สึกเจ็บอกเจ็บใจมากเนี่ยก็เพราะว่าเราไปยึดถือว่าไอ้นี่เป็นของเราเป็นของวิเศษสุด บางคนถือตัวขนาดใครมาแตะตัวก็ไม่ได้นะถือไปถูกตัวนิดนึงก็ไม่ได้พระโท่มันก็ไม่ใช่เป็นของสะอาดอะไรนี่อย่างนี้ก็มีเนี่ยเป็นเรื่องที่เราเกิดความสําคัญผิดในสรีระกายเพราะฉะนั้นส ก, กายยติทิฏทั้งหลายจึงเกิดขึ้นทําให้เกิดความยึดมั่นถือมั่น <c oughs> ในสิ่งทั้งหลายเหล่านี้กัน